อินยังธรรมะตางคนตงก็เคยสถาปวตมาเคยที่จีนนามาตามาเานัปฏิบัติจะต้องรู้จกธรรมะจะต้องเคยทีจนาธรรมะธรรมะเป็นอย่างยำชน ในดับแต่ธรรมะก็ต้องพิดใจหน้าอยู่บ่อยมิ่ิดใจหน้าแล้วโเฉยไปนี่ใจตบริสุทธิ์อย่างฤทธิเตเจ้าตนก็พิดใจหน้าถักยมพยายามตามเรื่องของท่านเราจะเห็นได้อย่างสมัยอดโสดยกากเป็ระบด หาักติดตามตนณานหลับพระพุทธเองในคืนวันนั้นเตือนจะสว่างยาศาสตรกุลบดุดบืวนหนายในสารวา่าออกจากปลายศาตรแสวงหาธรรมทางสนทุกแต่สมัยนั้นยังไม่มีเรื่อนของศาสนาไปถึงเมืองของยาศาสตร์กุลเดชอยู่พระพุทธเจ้าท เพียงจะสว่างขันเดินอนจบท่านที่ตัดสรู้ใแล้วไม่ใช่ท่านทำเพื่อละเพื่อบำเพ็ญทำเพ็่วนิหารและทำเรืองอยู่ขอ ง, ท, งท่านยาสาวที่เราบุรผ่านไปบดนไปจึงไม่วุ่นวายเนาะจึงมีสัดข่องเนาะจึไม่วุ่นวายเนาะจี่มีขัดของเ น, นาะดนเรื่ยอยไป าจะหาทางสินะครับวอม เรือหาธรรมทั้งพันเรื่องพวกเราจึงยังมีกิเลสปัญหาอยู่ในใจเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤตปฏิบัติพิจารณาเพื่อรักเพืถ อ, ถอนพิจารณาเพื่อบำเพนญ <c oughs> <c oughs> ในสถึงจุดหมายปายทางการบำเพ็ญธรรมะการพิจารณาธรรมะก็ในนี้ไปจากปติปตัญญา เรื่องเศรษฐีปัญญาเป็นสังละเลขาธรรมคือเป็นเรื่องขัดเกาย์กิเลสปัญหาออกจากกายเราใจใจท้งตนธรรมะจึงเป็นของทุกคนที่จะต้องแสวงหาถึงหนึงหลังในทามสู่ทางเจริญของใจเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะทำจิตทำใจ ให้รู้เห็นตามเป็นจริงได้ทำจิตทำใจให้สบายสงบอย่างโลกไม่มีทา ง, ท, า ง, า ง, ท, างที่จะไปสะสางจิต ใ, ใ, ใ, ใจให้สว่างไสวให้จิตใจเบิกบานลาษฎร์ชเวิตอย่างโลกคือเรืรอ่องวัตถุวัตถุเข้าของงมทองตลอดถึงตามมาเรณวต่างๆ เป็นเรื่องของเด็กที่ลืมหลงใน่รู้เท่าเข้าใจแต่ความสุขอันจริงจังอยู่ที่ไหนก็เลยลืมหลงไปเสดไปปิดในอารมณ์ที่ย่าต่างๆว่าอันนั้นจะสุขอันนี้จะสุขก็สุขเฉพาะคนหลงสุขเฉพาะจิตใจชอบสุขนั้น ชอบไม่ติดใจก็าหายไปกับเป็นที่เป็นภัยแก่ตัวอีกเรื่นทของโลกเรื่องของอารมณ์ภายนอกเป็นอย่างนั้นทุกท่านก็เคยที่นี้ที่จะได้มาเช่นเสีย ง, งร่องรำทำเพลงต่างๆในสมัยที่เราไม่เคยอ่วมจิจิตติดใจอะไร อยู่ที่ไหนก็ชอบอยากจะไปฟังยินดีใจถึงจะทุกยากลําบากห่างไกลอุชาติไปพอใจชอบใจติดเหนื่อยง่วงเหานอนเหนดเหนื่อยหนื่อยหิวสุสาติพอใจชอบใจยินดีนี่คือพื้นฐานของจิตทีอยังไม่มีธรรมะเกิดแสง เป็นไปแบบนั้นจะจนเด็กก่าตามผู้ใหญ่ก็าตามผู้เท่าก่อตามหากยังไม่เด็กสำลักสาสางเรื่องของจิตใจจะต้องยินดีจิดข้อนในรูปเสียงกิ่นลดเส้นผัดเล่้ยวไปเพราะใจยังไม่มีที่เกาะที่อาศัยแต่ใจมีที่เกาะที่อาศัยมีธรรมะภายในเสียงที่เราเคยชอบ จิตจุดข้อพอยงเองือกเลาเฮีายงต่างๆน า, นานาเกิดขึ้นเราจะมียินดีไม่พอใจคือธรรมชาติที่งสงบสงัดใน่ได้รูปกวัวเหมือนกันไม่ว่ารูปอะไรที่เราเคยข้องจจุดเก่าก่อนไม่ว่ารูปมนุษย์ วัตถุถ้ามีมากๆเขินเรี่ยๆเขา้าใจของเราคือไม่เคยปฏิบัติก็ชอบได้มากๆแาเราจะยินดีพอใจแต่การยึมดีพอใจนั้นในเดกใส่ชิดที่จะเรียนมาไา้รูปนั้นมันจะแปรเปนและจากเร่าไปที่เราจะจากมันไปเหตุนั้นคนที่มีใจไม่มีอัดมีทําในตัว มีอะไรขึ้นก็เป็นชิดเป็นภัยแก่ตัวเองแผลบเผาตัวเองทำห้ใจทั้งตัวร่แบบร้อนทำห้ใจทั้งตัวกังวนคือคนที่ น, น, ทนี้อมีทําเมื่อจิตใจเันอัดเป็นทํารูปก็ดีเสียงก็ดีมันมีอยู่ในโลกแทนที่จะจิตของนุ่นคนธรรมดาจิตของพาดีเจ้าท่าน ในเช่นอย่างนั้นเห็นกัสัตว์ระวเห็นได้ยินกัสัตว์ะวได้ยินไม่มีการยินดูสอบจิตใน่จิงเหมือนนั้นนี่คือจิตคือเด้พิจารณาเยื่องนั้นตามเป็นจริงผ่านมาแล้วโดยอัตถมการพิจารณาดวงตนกับพิจารณาตามเรื่องของตนพิจารณาตนของตนเท่านั้น มันถูกไปหมดเพราะรูปไปอยู่ในนี้เสียงไะอยู่ในนี้กลิ่นรสสัมผัสอยู่ในนี้คนที่ลืมหลงไปปจิดข้อง้านอกเือคนในนี้ธรรมะเอปเนอยุโก อ, องดูต <c oughs> ัวัองตัวเองเพราะรูปที่เราไปจิดจิตเป็นอ่าเสียสนงดงามอยากได้มาเป็นสมบัติของเรานั้น โดยส่วนใหญ่ไปรูปเป็นกันข้ามคูอชายก็อยากได้รูปหญิงคือหญิง็อยากได้รูปชายส่วนรูปวัตถุอืนอ่นเป็นบริวารของรูปอันนี้รูปที่เราหลงว่ามันสวยมันงานอย่างนั้นอย่างนี้รูปของเราก็ดีรูปของเขาดีเราติดใจมาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจิตใจจงนหลงหลงติดข้อง เิดความจริงรูปที่ตั้งอยู่ไม่มีอะไรน่าดูน่าเลี่ยมใส่ไม่มีอะไรสวย ง, งามหากที่จรณาเข้าถึงแก่นของยูปจริงๆไม่มีอะไรที่จะน้าสงสัยเจรณาตัลือของตัวอเท่านั้นรูปทั่วไปในโลก จะเป็นรูปที่มีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้มันก็รูปอันเดียวกันมันมีการตั้งขึ้นแล้วเปลี่นแปกสลายเป็นสภาพเดียวกันหมดทั้งโลกจึงมมีทางจะสงสัยเพื่อถึงด้านกรรมาฐานอริยะอริยทางเรารูปที่มีวิญญาณคล้องอยู่จะยิ่งเป็นรูปที่โปะๆหน้าตารูปที่มีวิญญาณของ ต้นมนุษย์ปัดเรื่องเหล่านี้ต้นรูปคือตัวกระจปรมากแต่เราบ า, ทานะงทีเจอ่าหลงเชื่อหนังข้างนอกซึ่งเขาประดับประดาตกแต่ง ต, งต่างๆถ้าหากถาลกหนังออกไปรูปเหมือนนั้นไม่มีความหมายอะไรแถมที่จะรักให้ชอบใจกันนกับตัวว่าเป็น อะไรต่ออะไรไ ป, อ, ปอีกไม่ใช่แต่กลัวเบียดอีกลองลองดูคนที่นีแขนตามหงาตามตามตามแข่งตามขาหรือตามมือตามเทา้าแขนหน้ากันเลี้ยงไหลเยิ้มดีถึงเวลาเวลาเขามาจับภาชนะอาหารหรือ น, น้าดื่มเราจะไม่พอใจ เรเห็นส <res Panel> ิ ai ai. ่งภายในจากหนังเข้าไปมันเป็นอย่างไรมันไหลออกมามันมีอะไรที่จะหน้ารับไถ่ที่จะหน้าเตือนใจที่จะหน้าหลงไหลขาที่จะหน้าภายในจริงจังคนที่มีจิตไปรู้เห็นอย่างนั้นท่านจึงมาเตือนเต้นมาหลงไหลไปสถานที่ใดรู้จะจัดสะมาลูก ทีพอดูกันได้พอนั่งเดียกันได้ก็เพ อ, อ, อาะาศัยตารชำละตะสั่งดูทุกระยะเวลาไม่อาบน้ําเพียงไม่นนกี่วันกลิ่นตัวมันก็เหมือนคุ้นขึ้นไม่มีอะไรที่จะหอมในตัวมนุษย์เพียงแต่ลมออกจากปากจากสูดเท่านั้นถ้าหาเลยต้องละ ส, ะสายสั่งมันมีกลิ่น กลิ di, ่นในดีม่ใชกินที่เปียกขายได้เป็นกลนที่เราชอบในบุคามทั่วไปแต่เราม่ได้พิกรณาเปลือกใบมันจึงมีกลิ่นเน่ากินเหม็นอย่างนั้นเพราะภายในของมันเป็นของเน่าของเหม็นเปลใบมันจึงเน่าจึงเหม็นของสีวเราทานลงไปฉันลงไปทุกวันเป็นของเนาของเหม็นท้านั้นที่เอาล้ยทางคืนกลางวันหาในอื่นหรือมนเก็บไวในที่ย็น ของนั no ้นจะเน่าจะเซงกลิ่นพอพอมาถึงตัวงของเราเตียงของเราจนจนของเน่าไม่ใช่ของหยุดของดีอะไรเนื้อก็เน่าหนังก็เน่านี่จะของเน่าของเหม็นแต่ที่เราเห็นจุดข้องใจก็บาหทีเจรณาภายในว่าอวัยวะส่วนนี้มันมีความ เสวยงามที่ไหนอะไรที่หอมหวนชวนบมอะไรที่มันคงท้าวรอนอะไรที่เป็นสุขเพราะขาดธรรมะภายในเพรใจหน่เห็นจริงเมื่อใจหลงมันก็หลงเหลื่อยไปธรรมะจึงเป็นเครื่องํำละใจใจที่ไปรู้ไปเห็นเข้าใจทัาบเตในเรื่องต่างๆจึงมีมการติดขอ้อ ม, ม, มีการเต่าหมองไมีการเปิดเชิญเข้าใจตามเป็นจริงสลดทั้งเวทแทนที่จะเป็นเหตุให้เกิดร า, าคะปัญหาเกิดสลดทั้งเวทในจิตในใจจิตเขาลืมเขาหลงเ ข, า, ขาเปิดเขาเพลินต่างๆนานามันตรงกันข้ามอย่างนั้นแต่นั้นการอบรมจริตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญจะทํำให้เราท่นานได้รับความสุข การสบายเพราะการหน่อยห่วงเหนื่อหงอยไม่ติดไม่คล้องรู้ตัวเพื่อนตัวอย่างไรเพื่อโลกอดีตที่ผ่านมาว่าแสนปีล้านปีก็เป็นอยู่อย่างนี้อนาคตเมื่อเราตายไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยเพราะปัจจุบันเดงบอกมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของโลกคนที่รุมงหยงจะรุ่งหยงเรื e ่อยไปคนที่รู้ก็ไม่มีอะไรจสียใจแต่จิตคล้อง ท่านที่อยู่กับโลกเหมือนเขาแต่ใจของเราใจของท่านติดกับพิปฏิบัติตอาจทำในเพลเพลินในลนเหลงพอเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่า น, นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นความสะดวกสบายภายในจิตสะดวกสบายมนะากเพราะไม่เหไม่อยากในสิ่งต่างๆจะว่าสงบตลอดกางก็ถูก จิของท่านในการหลั่นไหว เ, เอียงไปตามเรื่องหรือเสียงดินลถทํางผัดพอเข้าใจเรื่องการพิ่เจรณานตัวของตัวท่านั้นเลยรู้ใจเที่ยทั้งโลกมีการพิ่เจรณานจำเป็นที่เราทุกท่านจะควรสุขอะรวมจิตใจทั้งตนเพราะความลืมเหลงทํา ใ, ให้เราได้รับทุก เขารูเสียอย่างเข้าใจเสอย่างเนจริงเสีอย่างใจจะต้องปล่อยวางละถอนพรอเราสาคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของ ด, ด, ของดีของดีพอคลี่คลายที่เจรนาดูจริงจังมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรที่จะติดใ จ, จอยากได้เหนือนกันกับเขาเอ่กระดาษหรือใบตองห่อของเหนาเข้าเาบบาหม็หนเข้าใจว่าเป็นห่อ ของดีมีคุณค่าไปเห็นก็อยากจะจับอยากจะดูถ้าไปเปิดดูจริงจังของนั้นเป็นของสกปรกของนั้นเป็นของที่หาคุณค่าไหนได้ของนั้นเป็นของที่นาเกลียดเราจะต้องเดินทึง่งใน จ, จิตใจถึงทางนอกมันจะสวยงานขนาดไหนแต่ทางในมันเป็นอย่างนั้น นี่คือการพิจารณาธาดขันพิจารณาตัวเองเพราะทุกยังทุกเวลามันจะออกมาให้เห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะออกทางตาทางจมูกออกทางหูทางปากออกทางทวารน่ะทวารเบาหรือออกตามพุ้นขนมันจะได้หนึ่งดอกอยู่แล้วว่าเป็นเอร่งเน่าเครงเหนื่อย่างอยู่คุณข่าสาระประโยชน์ขายไม่ได้ ถ้ามาเป็เงินงายติดข้องเพลิดเพลินจวรจะสลดต้อง เ, เ, เลือดใจคือเราหลงไหลติดข้องในะสิ่งที่เป็นกระสบว่าสวยงามสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เราเทียเท่ยงว่าเที่ยงในความสําคัญมั่นหมายต้งงงองจิตใจโดยทั่วไปที่ในวิจชานาย่อมติดข้องอยาเห็นของเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะธรรมะหม่มีในตัว มื่มีธรรมะในตัวเรื่องเหล่านี้ถึงจะมีอยู่วันไหนจะอะไรมาหรือจะมีไปข้างหน้าแล้วจะมีทา ง, ง, างสงสัยเพราะใจมันรู้เท่าเข้าถึงเรื่องจริงเหล่านั้นตามเป็นจริงจะไปเพ้อเพลินล่มหลงอะไรใจอย่างเดียวเท่า น, นั้นเป็นเดื่องสำคัญโลกโอดหลงก็คือเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องอื่น สีนสมาธิปัญญาก็คือเรื่องของใจเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญมากหากใจหลงกายต่อฟรอยงไปด้วยเก็กลายเป็นผู้รับใช้เรื่องของใจเช่นขนาดยินดีในราคาตัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะจะทดสอบดูก็ได้เอาควันตายถึงเคย เป็นนักเลงการต่างๆไปที่เทอมกันไว้มันจะมีอะไรชอบกันทําอะไรกันอีกไหมมีเปน็นหาที่ให้มันจะเน่าจะหมุนเป็นไปตามเรื่องทั้งอยูท่ที่้งชายจะชอบเล่กันมันจะเก่าก่อนเคยเสลิมลกันมาเก่าก่อนเคยเสอกันในเรื่องของก า, มมารลาค่าต่างๆมานจะเก่าก่อนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้ามันมีใจเป็นผู้อยู่ในล่างแล้วตายมันมีความหมายอะไรเรื่องของใจต่างหากไม่เรื่องเรื่องของกายเกิไปใช้มดมั่นหมเกิดไปตกำหนดยินดีเรื่องเรานั้นคือเรื่องของกายไม่มีความหมายอะไรห้าพิจารณาถึงแก่นของธรรแล้วไม่มีความหมายเร่องของกา มันทำหน้าที่ของมันเกิดมาก็อนแล้วนและแตกสลายมันเป็นอยู่อย่างไปจอไหนจออะไรเรายังไม่พิจารณามันก็เป็นอยู่อย่างแล้วพจาาเห็จแล้วมันจะอยู่ในทางไหนมันก็เป็นอยู่อย่างน้เราไม่หลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดมาทรมานใจเหื่องใจหลงคือเป็นเหลื่องซ้าขัญคทุกท่านควรจะแก่ไขแต่ตอนนมันหลงเรื่อยไปมันก็หลงมันมีทาง จะสั่งจะเบาไปได้เพราะมัมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจิตใจเพราะมันเห็นเดียภายในของตนเดีดนั้นคนจีตแกืออายุวังมากแต่ยังหลงเพียเชินมีหนังมีวิจเจอที่ไหนเนาไปดูไปชมกันพอความหลงในรูปในเสียงต่างๆเราจะดูเรื่องของเราในดูดูแต่เรื่องใต้นอก เนี่ยส่ออกนอกมันก็ไม่มีวันที่จะอิ่มน้ำส้มาลนได้ถ้าหากเป็นอาหารจะมีมากขนาดไหนไม่ไปทานเข้ไปในปากในท้องทั้งตัวส่งนี้ส่ว น, นี้มันก็ไม่มีเวลาอิ่มถ้าหนุนหัวหอมเหมือนกันอยากจะให้มันเอกอินต้องเอาหนุหนหัวหอมมาตปิตดปิกายทั้งตัวถ้าส่งไปทางนอกแล้วยเอาเข้ามาทางในมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอกอินได้จะจ ะ, จะเย็นจะหนาวเรื่อยไป อย่างธรรมะครรสอนสอนผู้ใต้เจ้ากัวเนื้องกันธรรมไมได้สอนไป้ที่อื่นสอนที่กายที่จิตของเราตอนนั้นทุกคนฝึกเปนนักปฏิบัติยังควรพิจารณาเหตุผลน้อมทำเข้ามาสอนตนอยู่สนับเสมอหยุดใจที่ถูกฝึกอบรมหยุดใจจะสงบหยุดใจจะเบาจยุดใจจะสบายจึกเป็นของสึกได้ ท่านจึงบอกิตตั้งท่านตา้งสุขาวันหันจิตที่ฝึกดูแลนำฝุกมาให้เราจะฝึกอย่างไรก็ฝึกด้วยสติฝึกด้วยปัญญาที่นี่คือเวนาอยู่เรื่อยไปอย่าปล่ยให้ไปลอยไปตามวิเลีตันหาตามปัญญาอารมณ์กําหนดสังวรเล่าอังเอาวยสิ่งใดที่จะเป็นทิพเป็นภัยแก่ตัวหักห้าม อย่าไปติดตามหลวงไหลสิ่งได้ที่จะทำจิตทำใจให้ฟองใสทำจิตทำใจให้สลดต้งเวทเป็นเวทจะให้จิตถอดถอนจากวิเวทตัญหาพิจานะรณาเลื่อยเข้าไปถึงใจจะไม่ชอบใจจะไม่ยินดีก็มันทีนี้พนะิจารณาบังคับบัญชาให้ อ, อยู่ในกรอบต้องทำคนที่ตั้งหน้าตั้งตา พิจารณาอย่างนั้นมีสติประจำผาดขันประจำตัวมีปัญญาแนสอนสิ่งที่ชั่วให้เห็นเถ่ดควรละควรปล่อยวางอย่างไรก็พยายามละไปถึงละยังไม่ได้ก็สิช่อเหตุชี้ผลของมันมามเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นชอบจึงหรือพอใจจึงหรือได้รู้ คือเราชอบเราสุดมันดีมันเด่นยิ้มได้ไหมน้ำมูกน้นลายคือมันตกออกไปยิ้มได้ไหมน้ำมูกขวดคือมันถ่ายออกถ้าชอบพานากักยิ้มไม่ได้เลือดคือมันหยดย่อออกหน้องคือมันไหลออกจากบาจากแผลจากสีเป็นท้องดีท้องดีต้องควรจะรักหรือเราน้องก็ดูเลือดก็ดู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 ใจจอดจ่อยจอวางไนดะ้การพิจารณากายจึงเป็นเรื่องการบรรเทาราคะถ้าพิาจารณาถูกทางถ้าพิจารณาผิดทางส่งมโทรม ห, หง้ยไปตามเรื่องราคาปัญห า, า ก, ก็กำหนัดยินดีไปได้ถ้าใช้สืนั้นมันผ่านไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีไม่มีอยู่ในวัดในวาในกติกิริานะรหารของตัวแต่ไปเก็บ เอาสัญญาเรื่องจิตเคยรู้เคยเห็นจิตเคยผ่านมาในอดีตมาในจิตจิตก็เกิดกำ น, นังจิตก็เกิดความยินดีสุสสบาบา่มตุ่บ่าบอไปได้จิตม่จิตเป็นทางชั่วมันยังเหลืองได้ยังเผื่อเพลินได้ทั้ทงท้งที่ไม่มีวัตถุนั้นนั้นอยู่กับเราแต่มก็เหล่งไปได้เมื่อไม่นเป็นอย่างนั้นการที่เจรณาธรรมภายใน ที่จะแก้ไขจยุใจจะทำงานเดียวกันถึงธรรมะนั้นยังไม่เกิดไม่จนแต่เรากัพิจารณาโดยบ่อยเท่าใจของเราก็มีทางที่จะสงบระงับเป็นทางบรรเทาหายใจเบาใจสบายตัวของตัวเองธาตุเป็นธาตเป็นมนเป็นคนมีอัดมีทำถึงจิตยังไม่รวมสงบเนหนึ่ง หรือยังไม่ถอนถอนชีวลตให้หมดไปจากใจก็ไม่ไม่ทำหนีตัวเพราะทุกวันทุกระยาทุกระยะเราเด็กทีเจรณาทำอยู่เด็ใจเราวล่อยจิตจิดตามอารมณ์ภายนอกราเอื่องจะดีใจถึงยังไม่ได้จะดีใจยังไม่ถึงจะดีใจพได้จะทำ ใจของเราเนี่ยเดี๋ยวตจทั้งคนกับเอารนณ์ภายนอกกับเรื่องทั้งโลกในทางที่เจรณาทางสอนตนจิตมันฝึกได้รวมได้ในเหลือยี่ไใสเราจะตั้งใจกำหนดทำกันจริงจังเขาพุทธเจหาจะดีทาริยาเสงก็ดีท่านใคยเป็นปุถุชนคนหนามนีเหมือนกัน ทำไมทำได้ท่ามีอะไรติดแปลกต่างกับพวกเราขาสื่ปัญหาเดียวกันหนหรือหรือทํานี้เขามีหางป่าเท่านั้เราแตเหมือนกันมีครบครบริบูรณ์เหื่อาดทั้งสี่ขาดปัญญาแต่นี้าจะทำให้มี้าจะไม่ทำให้มีมันก็หน่มีพอปล่อยมันไป หลตามอารมณ์ไม่ทราบต่ามันอยู่กับอะไรไปกับอะไร ท, ท, ท้ายทส่ตัวเป็นผ้าเป็นเนินเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> มาหนึ่งรักษาตัวของตัวใครเล่าเขาจะมารักษาให้เราจะต้องตั้งใจแบบแปลงตัวของเราเมื่อยัยงไม่เข้าถึงความสงบกันั์ความอัศจรรย์ มันก็ยากก็ลำบากอยู่จนธรรมดาแต่ถึงยากจะมีคุณค่าเหนือโลกจึงควรทำพอไปถึงความสุขความสบายความอัศจรรย์ที่เราไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนเกิดขึ้นเต้มขึ้นในตัวของเราแล้วตอนนั้นไม่ต้องบังคับบัญชา ไม่เห็นรายยากไม่เห็นรายลําบากเะเหตุใดถ้ามันเต็มใจมันพอใจมันอยากจะทําขาดการจะทําขาดการบําเพลินเป็นอันเสียใจเป็นทุกข์ตำหนิตัวคนมี่ทำหน้าเป็นอย่างนั้นจะเพลิดเพลินมัอเมาการงานอันอื่นมาส่าการจะทํามันเพลินกันสำลักตายไปเพื่อตนไม่มี มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตล้าตาสงเลื่อยไปตลอดเพื่อพูมีใจบริสุทธิ์ก็อีกนหมือนกันท่านที่ท่านจะลอยทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างว่าใจของเราบริสุทธิ์แล้วอยากจะทำอะไรจะทำเต็มอย่างนั้นดูพระพุวธเจ้าหรือพระเลียกเจ้าเั่วไปในอนุพุะมเองไหนที่ท่านทำเชื่อทำเสียเมื่อท่านเร็จเเป็นอรหันต์อรหันต์ ทางทจิตใจใของท่านในขั้วในทางชั่วทางดีแต่ท่านต่อมาเคยทานอกขอบเขตของธรรมยานส์ ไ, นไปท่น ม, มุัน่นรักษาปฏิปทาหรือวิหารธรรทของท่านอยู่ตลอดวันสรีนิพพานไม่เคยเล่นไปก่อสร้งอันนั้นไ้กอสร้างอันนี้ไป ปลกเศษนั้นแล้วปกเศษนี้ปลกเศษใจแข็งท่านเท่านั้นใจแข็งท่านแต่เศษดีเศษแล้ว